สมัมมาสัมพุทธาจานะโมทตาภะคะวะโตอะระหะโตสมัมมาสัมพุทธาจาอุกชลาธรรมาอักุชลาธรรมอาม อ, ามอพยยะตาธรรมาเอื นาบัตนี้จะเรีอธิบายในกุ้สนกรรมและอคุสนกรรมของมนุษย์ทั้งหลายของเปรตทั้งหลายที่วนเวียนตายเกิดในโลกอยู่ในเวลาบัดนี้ผู้ ท, ที่เกิดเป็นมนุษย์แล้ว สะสมบุญกุศลคือ ต, ตุลาธรรมบุคคลนั้นความดีนำไปสู่ความสุขเป็นเทวบุตรและเป็นเทวดาอะตุลาธรรมมาบุคคลผู้สะสมบาปกรรมความทุกตัวของเรา นี้จะเรื่องความมืด อ, อยู่จนตลอดสันไหมือนนี้จากโลกอันนี้ไปแล้วต้องไปสู่หลุมนรกเป็นที่อยู่ของตนตลอดกันไปวอภิญญาคชาธรรมานอนหลับแล้วบุญก็ไม่เกิดบาปก็ไม่เกิด เปรถือทั้งหลานที่อกุศลกรรมันบกบางในแล้วมาลักทานก็ได้รับผลแห่งความสุขของตนตลอดไปเปรตผีทั้งหลานบาปกรรมยังหนักหนาไม่สามารถ ความดีที่เขาอุคิดให้จะได้เป็นผลประโยชน์ให้เกียรชีวิตของตอนหาไม่มีนี่เป็นเรื่องความทุกข์อยู่จนตลอดกันไปอันนี้ผลเล็เว่าเมื่อเป็นมนุษย์จะสมความทุ่มมันแรงก้าทันหนักเลยเมื่อเป็นเปรตเป็นผีแล้ว มนุษย์ทั้งหลายอุทิก็ไม่เป็นผลความูีเกิดขึ้นให้แก่ตนของตนมี้จะเรื่องสวยความฟุกของตนผูจนตลอดไปอันนี้ให้เราทุกคนจงติดนึกตัวมนุษย์คนเราทุกทุกคนที่มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วในเวลาบัดเสียนี้ ความมีบันฑ์นบันดาลในชีวิตของตนยึงรูปและผิวพรรณนักศึกสวยงดงามชองตนของตนไม่เป็นพยากราพันในใดสามตนของตนอายุยืนยาวไปได้ตามตัวระยะเล็กสมัย มีจนทงจนนั่นเองมีภัพมีทัพถึงเท่าของเงินทองการกินอย่สบายสุขและมีพรรพวกเพื่นพงทางล้านยินดีพ อ, อใจไม่มีใครอันตรายก็การใดไม่มีใครมาเปี่ยนอิจฉาก็การใดอันนี้เป็นเกว่อง มาเป็นมนุษย์แล้วความดีอำนวยผลถ้าได้รับความความสุขความสบายในสีวิตของตนมีลให้เยาทุกคนจงคึดนึกว่าตัวของเรา <c oughs> ทุกๆคนที่การเกิดมาในโลกการทำความดีกับความชั่วของตน ตังเ่เราเป็นเด็กคนหนุ่มจนตลอดจนเป็นคนเข้าคนเก่ความดีกับความชั่วทั้งสองนั่นเอนอะไรที่มันมากกว่ากันอะไรที่มันหนักหนากว่ากันให้เราพิดา่านให้ตัวจบของทุกคนจงเยือะจะเได้ทันทีว่าตัวของเราอนาคตต่อไปเบนนา จะได้เกิดอยู่ในโลกเนื่องเกิดเป็นเปรตสวยความทุกข์อย่างไรนสองเกิดเป็นมนุษย์สวยความทุกข์ทุกประการไหนสามเกมิดเป็นสัตว์สิ่งวิรสารเราเราจะได้รับความดีวความชั่วอย่างไหนให้ทุกข์มานในตัวเจ้าของที่ตัว ข, ข, ข, ข, ของเรานั่นเอง จะได้ไปเป็นเทวบุตรหรือเป็นเทวกาพการไหนไหนไห้เราทุกคนจงเข้าใจว่าตนของตนเกิดมาในโลกภพสมสมบัติความดีและความชั่วอะไรให้แกจิตของตนอยู่ในชีวิตวันเหล่านี้เมื่อเช้าหนี้ตัวของเราในวันนี้เป็นวันที่เราจบจงเสียชน ตอนการที่ทำบุญหาพกเปรตผู้โชกยากทน้องเพื่นผุ้งในอเมริาตายแล้วในโลกตายแล้วจากมนุษย์ได้เป็นเปรตเล่ยรอนฉันจรอยู่ในโลกขอการใดๆหรือสวยความทุกข์เระการใดๆาที่น้องก็มีเมตตา เพราะได้สด <whilst> ับรับฟังในธรรมะของบรรพิตเป็นองค์พระเจ้าที่ได้วางไว้แล้วก็ใจใดๆเป็นต้นอย่างพวกเราเปลพทัยาพินิจสารต่างแก้พระเจ้าพุทธมาถึงพระเจ้าอุปสิกพระเจ้าสุสีพระเจ้าอุปภูพระเจ้าคุูุูชันโธพระเจ้าโกนาคมโนพระเจ้ากัสสปุโคสโม จึงได้หลับในการอุทิศของพระมหาคศ์เมืองราชทิกษพยามิติษาลนั่ง้นคนทุกคนไปในความทุกข์ประการใดจะได้โกแเฉลงหาเกิดต่อไปภนยานาเกิดมาแล้วจะเพิ่มความดีอีกหรือจะเพิ่มความโั่วให้ตัวเราทุกคนสึกเนึก ตัวของเราทุกคนในเวลาแบดเดียวนี้ที่ชุดติมาแล้วจากสวรรค์เราคิดอ่านอย่างไรจึงไม่มาเกิดในโลกก็ ต, ต้องใจว่าจะมาสร้างบำเพ็ญกองการสุศนให้เป็นบุญสุศนแรงสล้าจนสามารถจะได้สำเร็จมาผลต่อไปภายขางหน้ายางาังไม่พุ่งพากันหรล ว่าจากสวรรค์ลงมาเกิดเป็นมนุษย์จะสร้างองการความดีของตอนต่อไปลงมาเล้วเป็นอะไรกันแล้วลืมถ้าถึงเล่าดีที่สุดถ้าสุขันตาดีที่สุดถ้าสิงเจดีที่สุดถ้าเล่นการทํานา น, านสนุกสนานอยู่ตามสบายใจ ถ้าเล่นอะไรทุกอย่างในโลกเสียนี้ข้ามีร่างกายแล้วจะทำอะไรก็ทำได้ตามความพอใจของตนอันนี้จะให้เราทุกคนจงคิดนึกว่าตนของตนทุกคนในเวลาบัดเดียวนี้จุดติมาเพื่อต้องการเพิ่มเติมบุญกุศลให้กับจิตของตน ทำไมมันยังลุมเหลีงเงลนมไงคำชี้ในดีให้เกิดบาป ก, กันความทั่วให้สกดจึดของตนนาทีมันก็ต้องจะไปสู่นรกของตนเป็นที่ไปเป็นแน่แ่ให้เราทุกคนจงทิพย์อ่านโจทย์ของในเวลาบัดเดี๋ยวนี้ตนของตนนั่นเองที่เกิดเป็นมนุษย์แล้ว รู้จกได้ผลประโยชน์ความดีหรือความชั่วพักการทุกข์ระยะอยู่เสมอสิ่งนี้ในชีวิตของตนอยู่ตลอดมาทําไมยังไม่พักผัยทาไมยังไม่ตั้งใจทําไมยังไม่คิดอ่านทําไมยังไม่สะสมทําไมตนของตนยังละเมอตนของตนลุ่มหลงอะไรกันไป ไม่ใช่ขวัญนะอย่างนี้นะตัวของเราแปลว่าเป็นมนุษย์ตื่นมาแล้วรู้สึกตัวมีอยู่ในร่างกายของตนพลเที่ยงความดีศาสนาธรรมะของสุทาตยังมีอยู่ในโลกหนึ่งศิลหะสองศิลแปดสามศิลสิบสีิสองยี่สิบเจ็ห้าศินอกปาปาสิโม หถิงนอภิสมาจารสามพันหรอยตัวอันนี้แปลว่าเป็นถิ่ของที่พุทธเจ้าทรงบัญญัติกดเกียงที่รักษาไม่ให้ภัยพันตรลายเกิดขึ้นแก่มนมุษย์ผู้เกิดมาในโลกขอองคตัวของเราได้สะดับรับฟังบาปผาผาคาที่พุทธเจ้าที่วางไว้แล้ว ที่บอกหนทางไปสู่สวรรค์ที่บอกหนทางไปสูน่นรกที่บอกหนทางไปสู่มนุษย์ที่บอกหนทางไปเป็นเปรตเป็นถึงที่บอกหนทางไปเป็นสัตว์เอือร์สารทั้งหลายยังไม่คิดในอ่านกันแล้วในชีวิตของตนอันนี้เพื่อเรียกว่าตัของเราเป็นคนในตั้งใจเพิ่มเติม ความติดต่อไฟนาที่โจของเราจะได้เกิดในโลกอันนี้ติดต่อไปยืดยาวไปที่สุดกว่าเราจะได้ทนทุกคนภัยแปลว่าจะผ่านพภพปัจจุบันเจ้าแที่ร้อยิตพันี่เมื่นศตเปนเราที่จะคนทุกค์ทนภัยตายและเกิดในโลกราใช่เป็นมนุษย์อย่างเดีอวจนสัดว์จนเกิดจนสืบจนมนุษย์ เป็นเทวดาเป็นไฟเปี่ยนมาอยู่จนตลอดการไฟเหมือนกับมือของเราเดี๋ยวหงายขึ้นมาเดี๋ยวก็คว่ำมือลงไฟนี่ให้เราทุกคนจงเข้าใจว่าการเกิดของพวกเราชีวิตที่คว่ำมืออันนั้นแปลว่าเราไม่คิดอ่นสะสมสมบัติความดีัการในั่นเอง นิจนาชีวกุนนาลงสูนรกกันไปถึงแน่อันบุคคลหายมือขึ้นมานั้นบุคคลนั้นแปลว่าตั้งใจเขาพยายามให้ความดีเกิดขึ้นให้จิตของเขานี่จะให้เราทุกคนจงคิดอ่านพิจรณาตนของตนทุกคนในชีวิตวัตถุ หน้าท right. ี่ของพวกเรายังจะได้รับผลประโยชน์ความดีกันอื่ต่อไปได้เลยหลายสิ่งเพราะชีวิตของเรายังยั่งยืนเาวอนเราทุกคนควรคิดอ่านพิจารณาตนของตนจึงจะเป็นผลประโยชน์ความสุขของตนต่อไปภายหน้าเพราะฉะนั้นที่อาจมาได้อัธิบายยืดเสื่อมยากที่น้องทั้งหลาย อุตเชลาธรรมะอคุตเชลาธรรมะอัพยะกตาธรรมามนุษย์เกิดมาแล้วบุคคลทุกคนนีจ้จะทำความผู้คืออคุตเชลามาทุกอภิชะลาธรรมาแปลว่าบาปกรรมที่อยู่ตลอดไปสิ่งนี้บุคคลทุกอุตชลาธรรมะเข า, าบุญกุศลเพิ่มเติมอยู่ตลอดไป เขาจะได้ลับผลความสุขตลอดไปในชีวิตที่การเกิดมาในโลกอัพยญาคตตาทำมาตัวเรานอนหลับทุกคืนทุกวันทุกคืนทุกทุกเดือนเรานอนอยู่ทุกวันไม่ได้ขาดหลับแล้วไม่บุญไม่เกิดหลับแล้วบาปไม่เกิดหลับแล้วแปลว่าเป็นอภิญาคตตา ไม่ม mm ีเ hmm. ก hmm. ja. ิดบุญเกิดบาปประการใดอันนั้นเรียกว่าพักค่อนร่างกายพักค่อจิตให้เกิดความดีความชั่วประการใดใดบัดเดี๋ยวนี้เป็นมนุษย์แล้วให้คิดอ่านให้ดีจะเพิ่มความดีหรือจะเพิ่มความชั่วให้ตัวเราทุกคนนรกไม่เต็มสวรรค์ไม่เต็มไว้เถอะ จะไปทานไหนไปได้ตามความพอใจของตนเพราะฉะนั้นธรรมะของพุทธะที่บอกอย่างนี้ให้เราทุกคนจงตั้งใจผงตนเถิดในชีวิตของตนจึงจะเป็นผลประโยชน์ความสุขในการเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาที่อาตมาในแสดงพิจารณาที่แสดงให้ลูกหลานญาติน้องทุกคน อายุวัตตะโกทนนวัตตะโกชีววัตตะโกเยสวัตตะโกภารวัตตะโกวันวัตตะโกสุขวัตตะโกโหตุสัพพะทาอายุวัตตะตาธนวัตตะตาชีววัตตะตายสวัตตะตาภารวัตตะตาวันวัตตะตาสุขวัตตะตาโหตุสัพพะทาอายุวันโอสุขังพะยง ในาดานี้ม่ยัางปันเจอภุดจามะภูกิจยะม่อย่งายงภูกรณีย